ตรงนี้นะคงทราบดีว่ามีการแข่งเอเชียนเกมกันแต่ละประเทศต่างก็กำลังรุ่นเหรียญทองคนไทยเรียกว่าทั้งประเทศนะก็ติดตามข่าวครา ว, าวการแข่งขันเอเชียนเกมก็คงทราบว่าเมื่อทักสองสามวันก่อนนะไทยก็ได้เหรียญทองขี่จักรยาน จักรยานแบบประเภทเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเลยนะที่ได้ยินมาก็คือว่าตัวเกงเนี่ยนะก็คือเกาหลีถ่าไทยนี่ก็อยากจะได้เหรียญทองก็เลยใช้อะจะเรียกว่าอะไรอุบายก็ได้นะให้มีคนหนึ่งอะ ไปประกบกับตัวเก่งเอาไว้เคยค้าว่าเป็นตัวล่อให้ให้ตัวเกงนั้นตายใจนะเสร็จแล้วพอใกล้เส้นชัยนะก็มีนักกีฬาไทยคนหนึ่งเขาแข่งกันหลายคนนะแต่ละชาติกระสุงมาหลายคนพอใกล้เส้นตายใกล้เส้นชัยก็ให้ ตัวก็ตัวที่ส้มอยู่เนี่ยนะรีบส ป, ปีดนะส ป, ปีดจนกระทัง่ทงสามารถจะเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกไทยก็เลยได้เหรียญทองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเสียสละนะเพราะว่าคนที่เป็นเป็นตัวล่อเนี่ยนะเขายอมเสียสละให้เพื่อนเนี่ย คว้าเหลียญทองไปถ้าเราถ้าฟังถ้าที่ฟังมานี้นะกะ็มันไม่ผิดพลาด น, นะก็ต้องนับถือน้ำใจนะคนที่เป็นตัวล่อนะเพราะว่าทำหน้าที่ทำให้ตัวเก่งเขาลาดใจตัวเกงเ ก, งกาหลีนะเสร็จแล้วไทยก็อีกคนหนึ่งก็ เนื่องจากไม่มีใครสนใจนะก็เลยโชว์อากาศสปีดจนกระทั่งได้ถึงเส้นชายเป็นคนแรกก็ไม่รู้ว่าเ้าให้เหรียญทองเนี่ยให้เป็นทีมหรือให้เป็นคนนะถ้าให้เป็นคนเนี่ยคนที่เป็นตัวรอเนี่ก็ถือว่าเสียสละเพราะว่าตัวเองก็อาจจะได้เหรียญทองนะแต่ว่าเปิดทางให้เพื่อนเนี่ยได้เหรียญทองไปอันนี้ก็เป็นความเสียสละที่ หาได้ยากนะในการแข่งขันเพราะว่าแต่ละคนก็อยากได้เหรียญทองทั้งนั้นนะการที่จะหลีกทางให้เพื่อนได้เหรียญทองนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ง่ายๆแต่ก็ากจะคิดถึงประเทศชาติก็ได้นะเพราะยอมเสียสละเพื่อให้ประเทศชาติคือประเทศไทยได้เหรียญทองไอการเสียสละเพื่อประเทศชาตินี้ก็ เป็นสิ่งที่น่านิโมธนาแต่ว่าที่หายได้ยากก็คือว่าคนที่ไม่ได้เสียสละให้กับคนในชาติของตัวนะแต่เสียสละให้กับคนต่างชาติอันนี้หายได้ยากกว่าหายได้ยากมากเลยนะนักกีฬาที่เสียสละให้กับคนชาติอื่นทำให้คนชาติอื่นได้เหรียญทองไปแต่มันก็มีนะมีตัวอย่างเยอะนะ อย่างเมื่อสัก80ปีก่อนเนี่ยมันมี ก, การการวิ่งนะวิ่ง 3,000 เมตร3กิโลนะแล้วก็ข้ามเครื่องกีดขวางตัวเก่งเนี่ยที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็เป็นชาวฟิลนลแลนด์ก็วิ่งนำมาเรื่อยนะแต่ว่าพอกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางปรากฏว่าสะดุดหกล้มไม่ได้หกล้มเปล่า น, ะนาฬิกา นาฬิกาพกก็หลุดไปด้วยเขาก็เลยหยุดแล้วก็หานาฬิกาเบอร์สองที่วิ่งตามมาเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสแทนที่จะดีใจนะเห็นคู่แข่งเนี่ยเขาสะดุดละตรอกิว่ากลับหยุดนะแล้วก็ช่วยพยุงเพื่อนซึ่งเป็นคนต่างชาติให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่พอนะยังหานาฬิกาให้ด้วยหานาฬิกาจนเจอนะ ทั้งทั้งที่เป็นคนละชาติแล้วก็เป็นคู่แข่งกันคราวนี้คนที่ได้นาฬิกาเนี่ยเขาก็ซาบซึ้ง น, น้าใจนะของเพื่อนชาวฝรั่งเศสเขาไม่ยอมวิ่งต่อนะแล้วเขาไม่ยอมวิ่งวิ่งนำนะเขาก็วิ่งเล็บเขาก็วิ่งคู่ขนานไปกับชาวฝรั่งเศสที่ช่วยหานาฬิกาของเขาให้เสร็จแล้วเนี่ยพอจะถึงเส้นชัยเขาก็ บอกให้เพื่อนชาวฝรั่งเศสนี่แหละวิ่งนําไปเลยนะเข้าเส้นชัยตัวเขาเนี่ยยอมเสียสละนะเพราะว่าเพื่อนคนนี้ชาวฝรั่งเศสอุตส่าห์หยิบหานาฬิกาให้เขาไอ้ชาวฝรั่งเศสนี่ก็ไม่ยอมนะก็บอกว่าถ้าคุณเนะ่ยชาวฟินแลนด์เนีนะ่ยพึ่งนำเข้าเส้นชัยไปเลยเพราะว่าคุณสมควรนะจะได้ชัยชนะเนะเกียงกันนะเกียงกันว่าใครจะเข้าเส้นชัย นะฟินแลนด์ก็บอกว่าฝรั่งเศสเข้าเส้นชยัยในพระอุตสาหนะ์ช่วยหานาฬิกาให้ฉันนะถ้าคุณไม่ช่วยหานาฬิกาให้ฉันนี่คุณก็ได้ชัยชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณไปเถอะนะส่วนฝรั่งเศสก็บอกว่าฟินแลนด์ไปดีกว่านะเพราะว่าคุณสมควรจะได้ไดชัยชนะและเพราะว่านํามาตลอดสุดท้ายฟินแลนด์ก็ยอมนะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เหรียญทองไปส่วนชาวฝรั่งเศสก็ อ, อดได้เหรียญทองนะแต่ว่าก็เป็นที่กล่าวขานกันนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนมีน้ำใจประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วก็โอลิมปิกเหมือนกันนะแข่งเรือเรือใบแคนาดานี่ก็ได้เป็นตัวเก่งจะได้ช้ยชนะแล้วบอกว่าแรนเรือกอยู่ดีๆไปเห็นเพื่อนชาวสิงคโปร์ เหลือคว่ำนะลอยคออยู่ในทะเลทำยังไงอะ่ะก็หยุดนะหยุดไปช่วยเพื่อนไม่รู้จักกันหรองนะแต่รู้ว่ากําลังเดือดร้อนกาลังลอยคออยู่ในทะเลนะก็ช่วยเพื่อนขึ้นมาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เลยอดได้เหรียญทองนะเพราะว่าได้ที่สิบเอ็ดนะแต่เขาก็ไม่เสียใจนะเพราะเขาที่ว่าเขาได้ทําหน้าที่แล้ว เมื่อสักแปดปีก่อนก็โอลิมปิกเหมือนกันนะโอลิมปิกฤดูหนาวแคนาดานี่เป็นตัวเก่งนะแต่ปรากฏว่าแข่งส ก, กีนะแข่งส ก, กีแต่ว่าบังเอิญทำไม้ค้ำส ก, กีหักทำไม้ค้ำส ก, กีหักก็ไปไม่ได้แล้วล่ะก็ปรากฏว่ามีนักกีฬาชาวนอร์เวย์เนี่ยเป็นโค้ชนะยื่นไม้ค้ำส ก, กีให้ก็ทำให้เขาเนี่ย ทำให้แคนาดาให้ทำให้ไอ้ชาวนอร์เวย์เนี่ยที่ทำไม้คําสกีหักเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นอร์เวย์ก็เลยได้ชัยชนะไปนะก็มีคนไปถามเขาว่าเนี่ยทำไมไปเอาไม้คําสกีไปให้ให้คู่แข่งเราก็บอกว่าเนี่ยได้ชัยชนะแต่ว่าไม่ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะ ได้อย่างไรนะมันจะเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่หาได้ยากนะคนที่ยอมเสียสละให้กับชาติอื่นด้วยการไปช่วยเขาในยามที่เขาเดือดร้อนนะถึงนแล้วว่าการทำชนะทำให้ตัวเองเนี่ยแพ้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ว่าเขาก็ช่วยอันนี้เป็นสปิริตนักกีฬาที่ต้องเรียกว่าเป็นคุณธรรมเลยนะ ปกติคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็อยากจะได้ชัยชนะยิ่งถึกฝนมาซ้อมมาเป็นปีปีบางคนซ้อมมาสี่ปีบางคนซ้อมมานานกว่านั้นนะชัยชนะก็แค่เอื้อมนะแต่ว่าพอเห็นเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนอยู่ข้างหน้าก็เปลี่ยนใจนะอันนี้แสดงถึงความมีน้ำใจแสดงถึงความเป็นมนุษย์เห็นเพื่อนมนุษย์สําคัญกว่าชัยชนะ อันนี้เป็นคุณธรรมเลยนะเห็นเพื่อมนุษย์สําคัญกว่าชายชนะแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเป็นมนุษย์มากนะมีความเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติบางทีเมื่อขัดแย้งกันนะระหว่างความเป็นมนุษย์กับการเป็นนักกีฬาทีมชาติเพราะถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมันต้องไม่สนใจใครเพื่อจะเอาชายชนะให้กับประเทศชาติแต่ความเป็นมนุษย์มันบอกว่าเราต้องช่วยเขาต้องช่วยคนที่เดือดอ <ế> ร้อนหลายคนเนี่ยเลือก เป็นนักกีฬาทีมชาติมากกว่าเป็นมนุษย์นะก็คือไม่มีน้ำใจไม่สนใจนอกจากจะไม่มีน้ำใจแล้วบางทีไปแกล้งเขาอีกนะไปแกล้งไปลังแกงทำให้เขาเนี่ยแพ้อันนี้เห็นได้ไบ่อยๆบางทีเล่นกันถึงเกือบจะตายก็มีในฟุตบอลเนี่ยนะฟุตบอล น, นีประตูนี่เห็นผู้ต่อสู้กาลังยิงเข้ามาเกือบจะยิงเกือบจะเสียประตูแล้วนะ ก็วิ่งเข้าไปทำร้ายผู้ต่อสู้สลบเหมือดไปเลยก็มีนะเพื่อว่าจะได้ไม่ให้ลูกเข้าประตูของตัวเองอันนี้ก็มีนะทีมเยอรมันนะปีปีหนึ่งประตูทีมเยอรมันนี่ซัดกองหน้าชาวฝรั่งเศสจนสลบเหมือดไปเลยแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยนะหามไปโรงพยาบาลแล้วยังไม่ตื่นเลยดีที่ไม่ตาย ทำเพื่ออะไรทำเพื่อว่าตัวองจะได้ไม่เสียประตูอันนี้เราว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติมากกว่าเป็นมนุษย์นะแต่ว่ามันก็มีหลายคนนะที่เป็นมนุษย์มากกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติก็คือว่าเห็นเพื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานแต่ว่าก็เห็นก็เป็นเพื่อนมนุษย์เห็นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเขาไม่ยึดมั่นถือมันในความเป็นเป็นชาติโนนชาตินี้อย่างแคนาดานี่เห็นสิงคโปร์นี่ กำลังจะลอยคลอยในทะเลก็ช่วยแล้วไอ้เรื่องแคนาดาเรื่องสิงคโปร์นี่มันเป็นสมมุตินะไอความเป็นมนุษย์นี่มันอยู่เหนือชาตินะก็ช่วยเขาอันนี้ก็เป็นน้ําใจนะผู้นักปฏิบัติธรรมนี่ก็ก็คงจะรู้ดีนะว่าไอสมมุตินี่มันมีความสําคัญแค่ไหนคนมันกิดสมมุติมากติดสมมุติว่าเป็นไทยเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นคเนมรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปเห็นพมา่าเดือดร้อนก็ไม่ช่วยนะ อันนี้เราติดสมมุติแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะไอความเป็นเราเป็นความเหนไม่มีความหมายถ้าเขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันทั้งนั้นนักกีฬาที่มีความเป็นมนุษย์นะมันก็ทําให้คุณธรรมอ่าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชิดชูแล้วก็จะทําให้กีฬานี้กลายเป็นสิ่งที่เชิดชูคุณธรรมอันที่เขาเรียกว่าน้นําใจนักกีฬาคกลื อ, อนนี้แหละ ก็คือว่ามีความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ไม่พิจตแต่จะเอาชนะอย่างเดียวคนที่มุ่งเอาชนะเพื่อตัวเองนี่ก็ก็ยังไม่ถูกนะหรือว่าเสียสละให้เพื่อร่วมชาติได้ชัยชนะก็เป็นเรื่องดีแต่ที่ยากคือเสียสละให้เพื่อนต่างชาติเนี่ยเขาได้ชัยชนะได้เหรียญทองอันนี้หายากมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าน่าชื่นชมนะ บางทีเราก็จำไม่ได้ว่าใครชนะนะได้เหรียญทองแต่เราจำได้ว่าใครที่เสียสละนะคนที่เอ่ยชื่อมา น, นี้ก็เป็นที่จารึกไว้ในปติตสารนะว่าเป็นผู้ที่มีสเปิิเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากอะ่ะเราก็เตรียมรับพร